อาจารย์มั่นทันว่าใจมีภาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี่ฉะนั้นอันเดียวเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานึกเข้าใจ เวลาใช้ออกมาทางคำพูดต้องแยกเป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือนเหมือนกันทำกับใจจึงเข้ากันได้สนิทเพราะธรรมก็ไม่ได้เป็นภาษาขอ ง, ข อ, งอะไรธรรมก็คือภาษาของใจรมอยู่กับใจความสุขความทุกข์ อยู่กับใจการทำให้สุขหรือให้ทุกข์เกิดขึ้นก็ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาผลที่ปรากฏขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับภาระในผลน้องตนที่คิดขึ้นมาใจกับธรรมจึงเข้ากันได้สนิท ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเรื่องธรรมกับนั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแก่นหรือแก่นของสกุล ร, ร่างกายเราเป็นแก่นอั น, น, นเป็นของแข็งนี้เป็นของเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเหลานี้ ไดแก่ใ จ, ใจในี่เป็นหลักใหญ่อาการที่เกิดขึ้นจากใจเป็นความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดักเกิดแล้วหนักความหมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่มขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดกันอะไรทั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแพ้ มันเป็นสังขานสัญญาคือความหมายมความความหมายความจำวิญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเข้นตากับหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการหนับอยู่ประจำตัวของเขาเองท่านจึงเรียกว่าขัน แต่ละแต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรียกว่าขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดมีการเกิดการดับอยู่อย่างนั้นเป็นประจำแม้พระกีนาศพท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญช น, ท, น, ท, น ท, ทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันองท่านเป็นขันล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือชให้ทำนั้นตุงนี้คิดนั้น เป็นขันที่คิดโดยธรรมชาติของมันเองเรียกว่าเป็นอิสระของขันโดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั่นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทัน่วๆไปหรือเหมือนอย่างขันสามัญชนทัน่ว ๆ, ๆไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันลงสามัญชนทัน่วทั่วๆไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลา ควาคิดความปรุงความสําคัญมั่หมายต่างๆเหล่านี้ย้อนแย้งตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สําคัญสาคัญมั่หมายนั้นอย่างนั้นอย่าง น, น, างนี้เรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีณาศพคือพระอรหันต์ท่านท่านไม่มี ปรุงก็ปรุงธรรมดาพอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่ดื้เยื้อไม่กดท่วงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนด่างขันที่มีกิเลสปกครองหรือมีกิเลสเป็นหัวหน้านี่ผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปุงนั้นแ่ะเหมือนเหมือนกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพของแต่ละขันละขันมีประจําตนด้วยกันนับแต่รูปประขันคือกายของเราเวทนาขันเลยแก่ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนี่ก็เกิดดับเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณมีเกิดมีดับประจําตนอยู่ตลอดไปส่วนความรู้จริงๆที่เป็นรากฐานแห่ ง, งความรู้ที่เกิดดับเกิดดับนี้นั้น ไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกขาเรื่อมถานเดืองขันไปที่ <c oughs> กำเนดเกิดที่นั่นทีน่นี่แสดงตัวอันเป็นอันญยาบออกมาเช่นเป็นสัตว์เป็นมุขคนเป็นต้นดันั้นจึงไม่มีสำหรับจิตตรงที่บริสุทธิ์แล้ว แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ฟุนี่แหละไปแสดงแค่นั้นไม่ใช่อะไรคือจิต ด, ดวงที่ไม่ตายนี่แหละอันนี้ไม่ไม่ไมตายเยพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกจะพ่ออย่างยิ่งคือโลกมนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญคุณโทษต่างๆ และรู้วิธีการที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมได้เข้าใจในภาษาของคำที่ท่านแสดงท่านจึงได้ประกาศสอนโลกมนุษย์เป็นสำคัญกว่าโลกอืก่นเพื่อจะได้พยายามดัดแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษอีกด้วยออกจากจิตใจกายวาจา สอนให้พยายามบำรุงส่งเสริมคําดีที่พอมีอยู่บ้างแล้วหรือมีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง จ, จิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้ หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตุจากขันธ์อันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบกายชาบใดก็ตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแหนจะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถ คืออำนาจมาจฉณาบุญญาที่ต้องผ่านที่สร้างมาโดยลําดับลําดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลําดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องก็นไปเป็นลําดับเป็นเมื่อวานนี้เป็นอดีตสําหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตลำดับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาด้ันทั้งนั้นแล้วหนุนกันไปเป็นลําดับลาดับจนกระทั่งจิตมีกําลังกล้าสามารถเพราะอํานาจของความดีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้ คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาและจะไปะเกิดในพบที่ละเอียดขนาดไหนก็าตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุตแิแสงอยู่นั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ได้แจกจิตพระอรหันต์ท่านจิตพระพุทธเจ้าพูด ถ, ถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพระวังคีศักดิ์ รวังกีสัตท่านเต่นมากตั้งแต่ท่านเป็นคารวาสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรก็กพูดไม่ขนัดคงเก่ง ท, ทางสยายวนะินาแน่ะต่ภาษาปัจจุบันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกศีรษะป๊อกป๊อก๊อก๊ ก, กำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่ไห น, น อันนั้นปรากฏที่นั่นเข็นปรเกิดเป็นสัตว์นรกก็บอกถ้าเกิดในนรกกรร็ก็บอกไปสวรรค์ก็บอกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นเป็ดเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้เคาะกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้คือพอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาศรีรษะพระอรหันต์มาเคาะ ลองเคาะที่นี้ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วนนงเงียบก้ไมไปเงียบให้ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนกรอบพูดอย่างกลงไปลงมาว่าไม่ทราบที่เกิดอันนี้ความนีที่แรกพระังศีราะนี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด จะไปแข่งกับพระุทธเจ้านะั่นแหะคุณ ง, ง่ายๆแต่เวลาไปถึงพระเจ้าแล้วทรองเอากระโหลกศรีษรษะก็อาหารมาให้เคาะอันนี้มาติดตรงนี้นี้ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วให้เรียนสำนักพระพุทธเจ้านั่นแหละที่หนี่ก็อสอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกระโหลกนี้ได้ให้เข้าใจนะสอนวิชาวิชาธรรมนี่ไปปฏิบัติไปประบัติไป เลยพระวังคีสสระเลยสำเร็จอราหันขึ้นมาใช่ไหมหนึ่ไม่สนใจจ ะ, ะเคาะศรีรษะใครนอกจากเคาะทิศะเจะของรูปที่อันชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะทิษะที่ถูกต้องนี่แล้วยกถึงยกเรื่องจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกศรีรษะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พระวังคีสสระจะก่อนเก่งมาก นี่เป็นอย่างนี้จิตคือบริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพะโคที่กะก็เหมือนกันอันนี้คนหนาเป็นคติอยู่ไม่น้อยท่านไปบาเพ็ญสมณธรรมเจริญแล้วขึ้นไปโดยลาดับลาดับแล้วเสื่อมลงเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี่มิดโกนมาเชือดคอตัวเอง แล้วอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระอรหันในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของทาง่านถ้าผูดภาษาของเราก็เรียกว่าตลบเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอพระพุทธเจ้าท่านนักสั่งบอว่า การที่จะค้นหาสห็นญาณของพระโคติกะที่เป็นบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณ า, าเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมูิแล้วจะเจออย่างไมันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียก ว, ว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสําหรับคนมีวิเดชที่จะได้ทราบสิทธิของพระอรหันต์ท่าทนนะ ในวงสมมติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันตท่านได้เพราะท่านนอกสมมติไปแล้วเนี่ยจะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กำลังล้มลุกคุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตามเมื่อได้ถูกํำละเข้าไปโดยสม่ำเส ม, มอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรนี้จะค่อยละเอียดไปไละเอียดไปละเอียดถึ ง, ถงที่สุด ความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั่นก็เป็นสมมติเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือทำทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นอยู่กันก็เป็นกายเป็นจิตประโสนิเช่นเดียวกับจิตของท่านผู้ค้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมติอันหนึ่งต่างหาก ส่วนจิตนั้นไม่ไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอานาทัมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและที่จะสามารถให้บรรลุทำขั้นต่างๆน่าจะกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีการไม่มีกฎเตนจะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอันาจวาสนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าฐานไปได้ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเราอย่างน้อยก็ให้มีความสงบเย็นจะด้วยทำบทใดก็ตามซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบนละปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในใจิตใจเพื่นนำทำบทนั้นมาเป็นเครื่องกากับมาเป็นเครื่องพึง่งทิ้งเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นอนาปานสติซึ่ง เป็นกรรมาฐานสาคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปานติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริยนิสัยของคนเป็นจำนวนมากกว่าธรรมบทอื่นนำเข้ามาปร ะ, ประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระ ของใจหรือเราจะเริ่มเห็นใจว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรใจอันแท้จริงนั้นคืออะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็คือความที่รวมกระแสของตัวเองเข้ามาสู่จุดเดียวเป็นความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตความรวมตัวเข้ามาของจิตนี้รวมเข้ามาตามขั้น ตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมิของจิตที่มีความละเอียดเป็นลำดับถ้าจิตทั้งยาบรวมตัวเข้ามาก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันว่าว่านี้คือจิตและละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดต้องบปอีกว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่งใสจิตนี้สงบยิ่ง จีนี่เป็นของอัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลาดับลำนับนะจิตดวงเดียวนี่นะการชำระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาค้นฟ้าแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องภายในจิตใจด้วยปัญญาซึ่งเป็นวิธีที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าหรือจะทำให้ถึงความจริงของจิตอันแท้จริงได้โดยลำดับลำดับด้วยการทำดังที่กล่าววันนี้ ใครจะหยาบขนาดไหนก็อยาบเถอะถ้าลงความเพียนในพยายามสึบต่อกันอยู่เสมอในความรูม้ษาพยายามของเราแล้วความหยาบนั้นจะมันจะค่อยหมดไปหมดไปความละเอียดจะค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำเพราะการบงเพ็ญของเราจนกระทั่งถึงสามารถถ่างพ้นไปได้เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะทาอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนพนัก จ, จิตใจ ขอให้ทำใจรองาได้ใ ห, ให้ให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นพิรุษเป็นที่พึ่งตนเองได้ส่วนชกนักนการนี้เราก็พึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดทราบด้วยได้ด้วยกันถ้าอยู่ถ้านอนทาาสัาถ่ายถ้าทำการทํางานจะ ม, มาหาเรื่องที่ทั้งชายเขาทั้งเขาใชาเราทั้งเขาบังคับเราทั้งเราบังคับเขามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบังคับเขาให้ทํางานแล้วเขาก็บังคับเราทุกเนี่ย ว่าไงแล้วเจ็บนั้นปวดนี่ก็ต้องไปหาอยู่คายาของเขานั่นแหละเป็นคนเจ็บแล้วเขานั่นอุทุหาอยู่คายาเงินทองก็ของกับเขาแล้หามาเฮ้มันเลยหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้เฮ้เป็นอะไรทราบว่าใครเป็นใหญ่กว่าใคท่าขันกับเหรามันเราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดี่การเจ็บไข้ได้ปวดการหิวการกระหายการอยากหลับอยานอนล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องกองทุกข์ขึ้นบังคับเราเท่านั้น เขาบังคับเราอยู่ทุกด้านแต่เราบังคับเขาได้เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในการที่ควรอย่างนี้ที่เราจะบังคับให้พาเขาภาวนาเอา้าทําลงไปเมื่อธาตุขันยังปกติอยู่คนจะหนักเบามากน้อยอย่างไรเราก็ทําลงไปแต่ธาตุขันไม่ปกติธาตุขันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ความหนักความเบาของธาตุขันเรื่องใจให้เป็นความเพียรอยู่ภายในตนเองเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็ย่นเขามาจุดนี้ าสาศยเข้ามามากแล้วเวลานี้มันชำนุษย์จุดโสมก็เห็นสาวมันชำนุษย์อันไหนที่ควรจะใช้ได้อันไหนที่มีความสามารถภายในตนเองคือจิตใจเราก็ให้เล่นอยู่ภามในใจของเรานี่ไม่ขาดผลไม่ขาดประโยชน์ให้ใจมีหลักมีเกณฑ์ดูมีหลักตายก็มีหลักเกิดที่ไหนก็มีหลักอันดีเป็นที่พึงพอจใจเพราะคําว่าบุญแล้วไม่ผิดความคาดความหมายไม่ให้ผิดหวัง ต้องเป็นสิ่งที่ผนใจทั้งนั้นจะเลือกว่าบุญคือความสุขที่โลกป้องกันด้วยกันไม่มีใครใครอิ่มพอก็คือความสุขนี่แหละจะเป็นสุขทางในก็ตามเป็นสิ่งที่สายโลกป้องกันแตพาะยังยิ่งสุขภายในจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทําพุ่งงามความดีเป็นลําดับลาดับมีภาวนาเป็นต้นมีเป็นความสุขอันเป็นแก่นที่เป็นสาระสําคัญภายในใจิตใจขอให้พากันบําเพ็ญในเวลา ร่างกายรือธาตุขันยังเป็นไปอยู่นี้เมื่อถึงอวาสานแหล่งทีท่แล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั้นแหละจะทำได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทำได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นนีว่าหยุดงานพักงานได้แล้วโน่นพบมันต่อไปนี่ควรจะทำได้แล้วก็ทำถ้าผ่านประสียธมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องลุ่มหลงต่อไปนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่ ที่จะพาเราไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกข์ก็คือจิตไม่ใช่อื่นใดที่จะพาให้เป็นไปคำว่ากรรมว่าเวรมันก็อยู่ที่จิตเป็นผู้เคยสร้างเอาไว้ตนจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เชื่อของมันที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็ปิดแล้วไม่อยู่มันเป็นไปได้ของมันแล้วก็ยอมรับมันไปตามหลักกรรมนั้นแต่เราจะไปตําหนิมันก็เราเมื่อเราทําลงไปแล้วเราจะไปตำหนิยังไง ม, มือเขียนก็ต้องมือลบ ยอมรับมันไปเรื่องของกรรมมันเป็นมันจ็มรทั่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาการแสดนธรรมก็เอาเพียงใจ น, นี้ต่อไปท่านปัญาอธิบายให้ท่านนีนฟังอุปมาที่เวลาจิต งบลงไปถึงขั้นตับปนาสมาธิเนี่ยที่พูดว่าขันไม่ดับหมดเนี่ยนะครับเวลาที่ถอนจิตออกมาแล้วทําไมเราถึงรู้ครับว่าอา่าจิตเราเป็นสมาธิถึงขั้นตับปนาสมาธิถ้เอาสัญญาขันมารู้ะครับแล้วในขณะนั้นเน คำรู้ไม่ได้สืบเก่าอะไรทัร้งหมดคำถามนี้ไม่เกี่ยวลนั่นญญคือแคือคือที่พูดถึงว่าเวลาที่ท่านอัรนานีา้สัญญาขันเวทนาสัญญาสัง ข, ขารวิญ ญ, ญาณอะไ น, นดับหมดดับรลงทันที่ดับจิตภาพไม่เหลนอเลยอ่ะแล้วตอนนี้เวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึญญงรู้ครับรู้ตอนมันถ่ายนั้นมายุ่งเหร ตอนนั้นมายุ่งนะตอนนี้มันดุ่งถึงได้พูดกันคือตอนนั้นมายุ่งตอนนี้มันดุ่งถ้ามันมันจะมีสักอย่างเดียวนั้นมันก็ไม่ได้มาพูดกันนี่เพราะมันมีการยุ่งทำมาเกี่ยวข้ามาเป็นคู่แข่งถึงได้บอกแต่ตอนนี้มันดุ่งว่าไงเข้าใจไดหมหรือเนี่ยวันนี้ว่านอนหลับสนิทอาล้วเราเทียบกันหลับสนิทถ้าเราลับสนิทนะใครจะมาพูดได้จะตื่นขึ้นมาแล้วแหมเมื่อคืนหลับสนิทดีเลยเหมือนตายว่ะเนี่ยแต่ทำไมทุกข้ามัน มันหลับะนิท ด, ดีละ่ะยังนี้หมายความสัญญาเราเราเราู้ได้ด้วยอะไรครับือนนเรารู้ได้รู้้ไดสัญญารู้ได้ด้วยสัญญารู้อะไรที่รู้ว่าหลักสนิทนี่แหะครับความันต่างคนต่างเคยลับสนิทแล้วมาถามมาทำไมนักบุญช้างเขคยหลับสนินเลยวะจึงต้องมาถามอาจารย์ถ้าว่าคนเคยหลับสนิาาทนลนแล้วก็ไม่ควรถามนี่ทั้เป็นการขายตัวเองนี่นะ่ะ คืเอเราก็เราก็การสัญญาขงเราเนี่ยจะจับเอาตอนที่มันสนิทตอนนั้นไม่รู้ว่ามันสนิทไม่สนิทหรอนะแต่ตอนนั้นนะพออกมารล้คำรู้อัญญาเนี่ยไปจับตัวเดิมนะมาพูดถ้าสัญญาไปจับตัวเดิมมาพูดก็หมายความว่าวมันไม่ได้จับสนิทกันนะก็หมายความว่าวเวลาที่ถึงขนาดที่จิตเป็น สมาธิถึงขั้นอัปน า, าสมาธิแล้วตัวตัวสัญญาขันก็ไม่ได้ไม่ได้ดับสนิทถึงไปไปไปจังมาได้แล้วคุณชายเขาเจะมันหลับสนิทมีไหม ม, ม, มันหลับสนิทมีไหมล่ะกระผมว่ามีครับหลับสนิทแล้วคุณชายเคยหลับสนิทดีไหมวะอ๋อผมเคยหมายถึงนอนหลับสนิทใช่ไหมครับเคยครับแล้วเนี่เอามาพูดแทนไหมล่ะคุณชายเอามาพูดแทนไหมไหมว่าคุณหลับสนิทดี เวลาตื่นขึ้นมาแล้วแหม่ตื่นยังหลับเป็นอีกดีบางทียังเจ้าตื่นกว่าแม่เหมือนตายเล ย, <笑><笑>เยว่าอไรนั่นคือตอนนั้นมันก็ไม่อะไรละตอนถอนมอนี่มันไปจับเพรานันคือที น, นี้มันมีรำทำงานต้ันไปจับเพานั้นมาพูดตอนไม่ทางานก็มีเฉพาะคือจิตเวลาขนาที่มันหลับขนาดนั้นแล้วมันก็มีทั้งหมด เรื่องอาการวันนั่งหรืออะไรมันไม่มีนะอะไรทั้งหมดมันไม่มีมันพูดได้แต่สักจะว่ารู้เท่านั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะคําว่ารู้นี่มันปฏิเสธไม่ได้นะครับมันห่อสัจจะว่ารู้ถ้าคำว่าสัจจะารู่นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งต้องยิ่งกว่าอะไรอีกแหละอันนี้ที่ว่าสักจะว่ารู้นี่แต่ถ้าแยกอะไรอีกไม่ได้มันต้องเป็นสองมันมาทันทีแยกไม่ได้เลยเราจะพูดได้เฉาะสัจจะว่ารู้เท่านั้น นี่แหละเปนดับยืนายานแบบั้นเขาจะว่าเราเรานั่งอยู่หรือนอนอยู่หรืออะไรเนี่มันมันมันแยกออกมาไม่ได้วันเถือ่อนนะแยกออกมามันก็เป็นมันก็มาทราบมเป็นอาการนอนอาการยือนอาการเดินนี่นะแนยกมานี่ไม่ได้นขณะนั้นนี่อันเดียวแล้วพูดไออกพูดก็ได้เลยเป็นไงนะเราจะพูดได้แต่ว่าสักเทวารู้เท่านั้นนี่เท่านั้นเทวะสักเท่านั้น พูดอย่ังเต็มปากก็ได้ได้แต่วัตวต่ว่ารู้ตอนนี้ก็สัตแต่ว่ารู้ถึงขนาดนั้นเนี่ยตัวสติกับตัวปัญญาแล้วก็ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดเช่ไหครก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าสติแต่ว่าทราบว่าเราอยู่อย่างนี้เหมือนเราทํางานด้วยสติอยู่นะมันไม่มันไม่มีคือเวลาเราทํางานด้วยสตินี่สติก็ตั้งท่าใช่ไหมล่ะปัญญาก็ทํางาน อันเป็นท่าตั้งท่าเท่านั้นไม่มีกระท่านี่ไม่มีถ้าเราจะว่าสติตไม่มีหรือว่าสติรวไปรวมมีแต่จุดเดียวก็ถูกคือสติตไม่ทํางานเวลาล่ะ น, นะปัญญาก็ไม่ทํางานมีแต่จักรวะรู้ขึ่นเป็นอันเดิมจักรวารู้ไม่ไม่แสดงอาการอะไรตัวอาการนี่นก็ได้เกิดปัญญาได้เกิดสติเป็นอากาศไม่ไม่แสดงเหมือนกันตอนนั้นนะ่ะครับเพรมีผู้รู้อยู่ตัวเดียวเช่ไอืม กูรู้ตัวเดยวจะว่ารู้เด่นเด่นอย่างเราคาดกันนี้ก็ไม่ถูกนะได้แต่ว่าสับจะว่ารู้แต่ล้อมเป็นธรรมชาติที่อัศจรรยตามภูเของหินเหมือนกันนะอัศจรรย์ม่เล่นเหมือนกันทำงานมันมันกระปุกมาแใ่ขนาดที่มันเป็นงั้นเราเดี๋ยวไม่มีอะไรจะแตะต้องจะไปแตะต้องมันไม่ได้เลยต้องสับแต่ว่าเท่านั้นจะอยู่นานแค่ไหนเมืนกัน แต่นี้เวลาภาวนาใครจะไปฆ่านันไม่ได้งั่นเนี่ยฆ่าไม่ได้มันต้องเป็นธรรมคาตหลักธรรมชาตของมันเองมันเป็นมันไปเองเราจะไปฆ่านนี้ไม่ได้เรื่องเลยแตีคุณเรามาฟังนี่แบบผู้ภาวนานอกจากฆานิพพ์เพลานั้นเราเราเป็นอย่างนั้นนั้นแตขฆานมันไม่ได้เรื่อง มันจะเป็นยังไงก็ตามเราอยากไปผาผ่าเราจะให้จิตเราเป็นอย่างนั้น well yeah. ทั้งว่านั่นเราให้เป็นอย่างนั้นทั้งว่านั่นเราให้เป็นอย่างนั้นไม่ก็คือเราให้ให้รู้ตามความจริงความเป็นของเรามันเป็นยังไงให้รู้ตามนั้นเท่านั้นเองทำไมต้องไปไปจิตอันนี้โยกไปโน้นจิตอันนี้ยกไปโน้นไม่ได้ควาตมที่จิตสงบดคนีกว่าคามที่จิตบุ๋มเนี้ย คืับุคคลบุคคลนี่สามารทีใ่ในเวลาทีร่รวมกันใน่ะดับว่านักธุรกิจธรรมดามกไ็ไม่ถูกทำอยู่ในยานกลางเพื่อข้ า, ามถนนตอนนีพอดรับทรัยากรจากอีก9ว่าอีก3เดือนก็เลจะเป็นผู้ที่ไเละ พอดีโกรกดีใจก็ถึงนันละวันจะทาละใครน่ายพระพุพทธเจ้าท่านทรงขาไว้ ท, ท่านนั่นน่ะการจะทำลใคร่หนายะคงก็งทรงข้าไว้แล้วแล้วปัดธรรมาถ้านนว่านนจะเสียใจคือตอนท่านนลองให้นี่ทรุทาจะไปริ่านะแล้วธรรมมาจะเสียใจแล้วเาจะเป็นผู้ไม่มีเป็นผู้สินชีวิไม่มีชีวิตใน วัน ต, ตไนาไห้นา ย, ย, ยนั่นะแหละถ้าคูณจะยอกเลยอย่างนี้นะท่านที่ท้าหนุนก็คือนั่นพอถึงวันนั้นก็เรื่องความเพียรนั่นแหลถ้มีแจะับจะบรรลุจะบรรลุลท่านั้นหรืท่นี้ไองานก็เลยไม่ทมาที่บ้านหนุมีแจะบรรลุท่าเดียวเดียวคนนี่ทำไงจนะทงที่สว่าพอสว่างขึ้นมาตอนทา้าตนหลังก็จะทำตาไห้นายจะทาเพียรนยี่ เป็นแย่เอ้ยทงานนี่ไม่ได้เรื่องพอะอะไรน่นคือถอนอุปทานขึ้มันไปยุดอยู่นี่นะแล้วองนั้นร่วมตัวนอนนอนนี่พอนอนลังไมถึงหมอนอียุสิบสี่ทัานเรียกว่าอายุสิบวันเพราะว่ายืนก็มาใช่เดินก็มาใช่นั่งก็มาใช่นอนก็มาใช่คือพอเอลงไปจะถึงหมอนพอเอลงไปยังไม่ถึงหมอนมนุ ขาะนีต้ตอนทเพือเาตั้งาตทางต่อกามบรรลุธรรมก็ เ, เลยลมคำนึงถึงงานของตัวที่จะทาทําไงจะเป็นบรรลุไม่คำจะจะนนี่่าจะบรรลุแล้วินก็ไปอยู่น่นอ่มันไม่ทางานไม่ถูกงดตอนเห็นว่ามันอจจะบบได้สหลางด้ทาไงมันเปงนี่โปรเคธรรมพันงาแล้วแล้วก็ทงัง การนนี้แล้วพระเจาจะประสงค์ว่าจะปฏิจจค้าพรนนกันได้เพราะพระนุนเป็นตรงสุขน่าจะยังไม่ถึงมืดขุดค้นเป็นพรารีตามแต่ถ้านนจะเว้พระนุนไไม่ได้เนี่ยการทไข่ไนนี้พรนนจะต้องเข้าสู่ที่ประาุมไข่ไนนแน่ๆระการหนึ่งพระพุจาก็ทรงทำนานไว้แล้วด้วยถาย่างนียึดจะพอ เห็นท่าบริการแล้วก็ทอดทุระนะคือความคิดมันจะนี่มันก็ปล่อยไปหมดจิตตอนที่เป็นกาลางนี่คือปล่อยเนาเป็นกลางมันพับออกองนั้นแล้วจิตลงนี่ธรรมทิฏฐิใ น, นใจแล้วทำงานอะไรอยู่ก็ไม่เฉยก็มันลุกดำอยู่อ่ะคือตอนการจิตมารวมกลุ่แล้วก็อยู่สมอแล้วก็เห็น เ่แม้แต่ขนาดที่บรรลุก็ต้องเป็นกลางการมีมัชชิมาอน่ยดูสิมัิมานะต้งตามบรรลุธรรมแม้แต่อยูปนบรรลุในส่วของัรรมิดจิตเรื่องมันนั้นบรรลุไม่ได้มันรรุกในเครื่องเงาพระธญา ต่ว่าอาารย์ทำงานอยกําลังธุดมุนวายนี่นะบรรลุข้อยอย่างไหนฉะนั้นอาจารย์นี่ก็ไม่สนิกันกันนะที่ไม่สนก็คือชนิทความที่เป็นกลางจิตเป็นกลางสนิทใจมากคำรามพิญนาคธุดงุ น, น, นวา น, นี่นั่งนั่นอยบรรลุเับาิดเข้าไปอยู่ที่เดีนแนวเลยนก็เข้าอยู่เหมือนกันไม่กะ ไม่ไม่ใช่ที่แต่ตอนอองอ ก, กลางกลางกลางของจิตเนะี่ไม่ใช่กลางสมาธิโน้นนะไปอยู่ในสมาธินู่นไ่ไอยู่กําลังทํางานนี้เพียงเรากําลังพิจารณานี้อยู่เพราพิจารณาปล่อยจากนั้นมาในตรงกลางนี้อันนีม้มีฐานะ